ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกท่านที่ได้มีโอกาสมาร่วมอบรมอยู่ในค่ายพุทธธรรมนำชีวิตฟังชื่อแล้วก็หน้าเคารพเลื่อมใสจะเรียกว่ามันเป็นทั้งหมดของชีวิตเราก็ได้ชีวิตเรานี่ถ้าไม่มีพุทธธรรมเป็น ผู้นำแล้วก็มันจะลงที่หลงทางถ้าเรามีพุทธธรรมนำชีวิตแล้วชีวิตเราเนี่ยจะไปแต่ทางสว่างแล้วก็มีความสุขอันนี้เพราะว่าธรรมะที่อยู่ในพุทธศาสนามีอยู่ข้อหนึ่งเขาบอกไว้ว่าธรรมะเนี่ยทำคนให้ไม่ตกไปสู่ในโลกที่ชั่วอะไรก็ตามที่จะทําให้เราอยู่ในโลกที่ชั่วเนี่ย ทำให้เรามีความทุกข์เพราะฉะนั้นเป็นสาเหตุถ้าเรามีธรรมะเป็นผู้นำชีวิตแล้วก็ปลอดภัยเราจะไม่หลงที่หลงทางเพราะนั้นทุกชีวิตเนี่ยต้องระวังให้ดีว่าอะไรเป็นผู้นำชีวิตเร า, เ อ, าอย่าบางท่านอาจจะเกิดความง่วงความง่วงจะพาไปไหนเดี๋ยวมันก็พาไปที่ที่นอนตนนีน้ถ้าไปไม่ได้ตอนนี้วันนี้ก็อยู่ที่แถวนี้แต่ไม่เป็นไรนะหลับก็ได้ การฟังทำแล้วหลับเนี่ยโอ้โหถือว่าประสบผลตั้งร็จส่วนหนึ่งนะดีกว่าฟังแล้วคิดแล้วเครียดนะเนี่ยคนที่มีอารมณ์เครียดในจิตใจเนี่ยมกกักแกนอนไม่หลับถ้าคนหลับแสดงว่าไม่เครียดไม่เป็นไรอนี่บอกว่าถ้าเรามีธรรมะเป็นผู้นำชีวิตเนี่ยชีวิตจะมีความสุขความทุกข์จะไม่กล้ามกลายเขาเรียกว่าปลอดภยัยพ้นภัยจากปัญหาต่าง สู่แดนเกษมคือมีความสุขสบายอันนี้คือพุทธรรทธรรมนําชีวิตพุทธธรรมนําชีวิตเนี่ยฝึกที่จิตใจซึ่งเป็นหัวหน้าในตัวเราถ้าใจดีแล้วเดี๋ยวกายมันก็ดีพอใจมันมีสมารถติคือมีความเห็นถูกต้องแล้วก็จะพาร่างกายเนี่ยไปทําในส่วนที่ดีจะพูดในส่วนที่ดีแล้วชีวิตก็จะมีความสุขเมื่อแก้ปัญหาในใจได้แล้วเนี่ยความสุขก็จะเกิดขึ้นเองโดยที่ไม่ต้องไปสแสวงหาความสุขเลย ความสุขมีอยู่แล้วแต่ว่าใจเนี่ยมันยังมีความทุกข์มีความวิตกกังวลอยู่ความสุขก็เกิดขึ้นไม่ได้อย่างพวกเรานี่ทํางานอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากเป็นงานที่ทําให้คนอื่นมีความสุขมีทั้งการป้องกันแล้วก็มีการรักษาแก้ทั้งต้นเหตุแล้วก็แก้ที่ปลายเหตุด้วยใช่ไหม เพื่อเป็นงานที่ช่วยเหลือบุคคลอื่นให้เขามีความสุขให้เขาพ้นจากความทุกข์ให้เขาเลิกหรือลดละจากทุกขเวทนาทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจอันนี้เป็นงานที่เป็นบุญถ้าจะเปรียบนะโลกเนี้ยโลกสาโลโอลอลิงกไก่โลกเปรียบเสมือนโรงพยาบาลใหญ่แล้วพวกเราทุกคนเนี่ยรวมทั้งผมด้วย เป็นคนไข้ที่ต้องบำบัดทุกคนนี้เป็นคนไข้ที่ต้องบำบัดนะ อ, อย่างเช่นสังเกตดูนะเราตื่นนอนมาตอนเช้าเนี่ยรลืล้นตาตื่นขึ้นมาเนี่ยเรานอนนิ่งๆได้ไหมทำไมจึงนิ่งไม่ได้ต้องขยับตัวพลิกซ้ายพลิกขวานั่นเพราะความทุกข์ในร่างกายบีบคั้นนั่นเป็นทุกข์ต้องแก้ไขแล้วทำไมเราต้องกระพริบตาด้วยอ่ เราทำตาแข็งแข็งนี้ได้ไหมมันไม่ได้การกระพริบตาแต่ละครั้งนี่เป็นการคลายเครียดแก้ทุกข์ร่างเอือตาเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราไม่เข้าห้องน้ําได้ไหม <c oughs> เกียรตยังไงก็ต้องเข้าไม่งั้นมันลบาบากนะเพราะความทุกข์มันบีบครั้นต้องแก้ไขต้องแปรงฟันต้องล้างหน้าต้องอาบน้าําต้องทําความสะอาดไม่ทําก็ไม่ได้ ต้องทานข้าวและต้องขับถ่ายต้องเคลื่อนไหวแล้วก็ต้องหายใจด้วยนะการหายใจนี่เป็นการแก้ทุกข์ใช่ไหมอีกมากมายเลยเราต้องต้องต้องต้องทาต้องทำอย่างนั้นเลยตาเกิดจนตายใช่มเพราะร่างกายเราต้องแก้ไขแก้ปัญหาต้องเยียวยานี่ละเราทุกคนคือคนไข้ของโรงพยาบาลโลกนี้ แล้วสถานอนามัยหรือสถานรักษาพยาบาล น, นะโอ้โหหนักเข้าไปยหายเลยรักษาเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดมีวันหมดไม่คนไข้ไม่อ <c oughs> บางทียิ่งรักษายิ่งมากแล้วก็ต้องเพิ่มปริมาณของโรงพยาบาลมากมายแ <c oughs> สดงว่าคนในโลกเนี่ยมันมีความทุกข์มากทั้งร่างกายและจิตใจรักษาเท่าไหร่ไม่หมดโรงพยาบาลนันทีเดี๋ยวเพราะนั้นคนทุกคนเนี่ยมีความทุก มีปัญหาทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจโรงพยาบาลช่วยได้ช่วยรักษาทางด้านร่างกายได้แล้วก็คุณหมอคุณพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ช่วยรักษาด้านจิตใจได้ด้วยเพราะฉะนั้นไหนต้องเราต้องทำหน้าที่นี้แล้วเนี่ยขอให้เราทำด้วยจิตใจที่เป็นบุญเราก็จะได้บุญนะงานรักษาหรือช่วยเหลือคนเนี่ยเป็นงานบุญแต่ต้องทาด้วยความเต็มใจนะ ถ้าทำด้วยความจำใจแล้วก็มันไม่ค่อยได้บุญคือไหนต้องทำแล้วเนี่ยถ้าเราทำโดยหน้าที่แต่ว่าเราไม่มีใจเราก็ได้แค่ลูกจ้างธรรมดาแต่ถ้าทำโดยหน้าที่แล้วด้วยความเต็มใจเห็นว่างานเนี่ยมีประโยชน์ทาด้วยความเมตตาจิตเนี่ยโอ้ได้ทั้งงานได้ทั้งบุญเลยแล้วก็สาธารณาสังคมเนี่ยเขายกย่องมาก ผู้ที่มีหนะ้าที่บริการคอื่นช่วเหลยอคนอื่นเนี่ยทางสังคนมนี่ยกย่องมากมีแต่ได้กับได้อาศัยต้องวางจิตวางใจให้ถูกต้องเราก็จะได้บุญไปด้วยทำงานไปด้วยโดยการทำด้วยความเต็มใจใช่ไเติมตัวเต็มใจแตเดียวจะได้บุญบุญเป็นชื่อของความสุขคนเราเกิดมาในโลกนี้นี่รักษาที่สองอย่างคือบุญรักษากับบาปรักษา ชีวิตที่มีความสุขเนี่ยคือบุญรักษาคนที่ชีวิตมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายไม่สบายกายไม่สบายใจนี่บาปรักษาบุญรักษาเราจะมีความสุขเพราะฉะนั้นถ้าเราทําหน้าที่ใช้ชีวิตจะที่ไหนก็ตามใช้ชีวิตด้วยสติด้วยการสํานึกที่ตั้งใจที่สิ่งเราทําไว้นการเต็มใจทําด้วยความเมตตาเนี่ย เราจะมีความสุขเพาเรามีบุญบุญรักษาการทำงานก็จะมีความสุขถ้าใจมีความสุขก็สุขภาพใจก็ดีและสุขภาพกายก็ดีไปด้วยแต่เราทำงานแบบเซ็งเงเบื่อเบื่อจิตใจมันก็ไม่มีความสุขแล้วร่างกายก็จะสุดทรงทำงานไปก็เบื่อไปอันนี้เป็นคิดลับสั้นๆเลยทำงานด้วยความจำใจมันจะมีความทุกข์ ทำด้วยความเต็มใจมีความสุขอย่างผมนี่ก่อนที่จะออกมาราชการเนี่ยก็มีความมุ่งมั่นปรารถนาว่าชีวิตเราเนี่ยต้องมีความหวังจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สารพัดอย่างตั้งความหวังไว้พอเริ่มเข้าบรรจุทํางานเนี่ยตั้งใจไปเลยว่าเลยตั้งใจทํางานมีสุภาษิตสอนตัวเองไว้ว่าเป็นผู้น้อยค่อยก้มขนมกรอนลำบาซิกนค่อยสบายเมื่อปลายมือ สามปีทําอยู่เนี้ยแล้วก็ได้ผลเจ้านายไม่เคยลังเกียจเพื่อนร่วมงานก็ไม่เคยลังเกียจชีวิตกําลังเป็นไปได้สวยแต่มันหมดบุญซะก่อนบมดบุญซะก่อนต้องมาทําหน้าที่เป็นคนพิการร่างกายเสียไปเลยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยพิการตลอดชีวิตพิการมาแต่อายุยีิบสี่ใช้ชีวิตอย่างนี้มาตลอดก็เป็นการใช้กรรมตัได้ แต่เอากรรมที่เราใช้เนี่ยมาปรุงแต่งมาเป็นกรรมที่เป็นกุศลซะปรุงแต่งจากกรรมไม่ดีมาเป็นกรรมดีซะทควนี้ก็ทําอย่างเนี้ยมันก็คิดไม่ออกว่าเราจะทำอะไรดีไม่ใหม่ๆนะจะทำอย่งไรดีเมื่อร่างกายมันเสียใจยมันก็เสียคนที่มีความทุกข์เนี่ยมักจะคิดทําให้เราเป็นทุกข์หนักเป็นงั้นจริงไหมเราเคยไหมเวลามีความทุกข์เนี่ยทำไมต้องเป็นเรา น่าจะเป็นคนอื่นไม่น่าเป็นเราเลยเหมือนเราเป็นทุ๊กอยู่คนเดียวในโลก ค, คิดอย่างนั้นไหมอ ย, อ, หอยากร้องไห้อยาระบายอารมอยาค่าตัวตายสารพัดอย่างคนที่มีความทุกข์โดยเฉพาะทุกข์ร่างกายเนี่ยเพียงนิดหน่อยเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ใจเนี่ยทุกนิดเดียวเนี่ยโหมันปรุงแต่งสารพัดอย่างทุกข์ใจจะรุนแรงกว่าคนเราที่ฆ่าตัวตายเนี่ยไม่ใช่เป็นทุกข์ร่างกายทุกข์เพราะจิตใจคนเป็นโรคจิดโรคประสาทนี้ทุกข์เพราะจิตใจทางนั้นเลย เห็นก็ไม่มีการยานมิตรหรือวิธีการที่จะนําชีวิตออกจากความทุกข์นึกไม่ออกจิตมันวัวแต่คิดฟุ้งซ่านแล้วก็นอนไม่หลับนอนไม่หลับเพราะว่าความคิดตรงเราเ่ยก็ยังหาทางออกไม่ได้มีคำถามอยู่หนึ่งคำถามถามเองเสมอว่าทําไมเนาะเราทำไมต้องเป็นอย่างนี้เวกรกรรมอะไรของเราหนอเห็นไหมเวลาเรามีความทุกข์จะคิดแบบนี้ใช่ไหม แล้วก็หาคําตอบมิเอทําไมเป็นอย่างงี้เนี่ยหาคําตอบไปเถอะสว่างแล้วก็ยังไม่เจอคําตอบอดทนไปสักระยะหนึ่งมันเกิดความคิดแบบใหม่ใช่ไ ห, ไหมเวลาเรามีปัญหาชีวิตเนี่ยมีอุปสรรคเนี่ยอย่าเพิ่งไปตีโปวยตีพายอดทนก่อนการอดทนนี่เป็นการปฏิบัติธรรมคันติบรารมีอดทนไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวมันจะเริ่มคิดไปทางที่ดีจนรู้ว่าต้องพิการไปตลอดชีวิตแน่แล้วเนี่ยจิตมันเริ่มปรับตัว มันเริ่มมีความคิดที่ดีๆนะคิดว่าเอ้เนี่เราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มันทุกน้อยที่สุดนะเริ่มหาทางออกเนะี่ยเราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มันมีความทุกน้อยที่สุดความตกยังไ ม, ม่พูดถึงอะไรๆมันก็ไม่ตกัรงนั้นะจะทํายังไงให้ทุกมันน้อยที่สุดมันมีคําถามแต่ว่ายังหาคําตอบไม่ได้ก็ <c oughs> ถามเนี่ยถามไปก่อนเรื่อยๆจนกระทั่ง ได้มาสนใจกับธรรมะหาตำออกมามากมายนะหาตำออกมาเยอะนึกไม่ออกแล้วก็ให้ า, าคำตอบไม่ได้จนมาปฏิบัติธรรมอาศัยการปฏิบัติธรรมเนี่ยมีกัลยาณมิตรหลวงพ่อคาเขียนอยู่วัดป่าสุขะโตชัยภูมิเนี่ยแนะนำไม่เป็นไรเมื่อชีวิตมีความทุกข์แก้ปัญหากายไม่ได้แนละ้วก็ลองมาทําทางด้านจิตใจ ลองแก้ปัญหาทางจิตดูโดยการปฏิบัติธรรมเราก็จะมองไม่ออกว่าปฏิบัติธรรม้งจะเป็นอย่างไรมันก็จะมีคําถามปฏิบัติธรรมแล้วจะต้องเกิดอะไรขึ้นเราไม่ใช่คนแก่เราไม่ไม่ใช่เป็นคนที่หมดอนาคตเนีลืมไปว่าเราเป็นคนพิการก็อยากให้คำตอบไม่ได้ทาไปก่อนทําตามที่ครูบาอาจารย์แนะนําการปฏิบัติธรรมเนี่ย ถ้าเราไม่มีโอกาสไปที่วัดอยู่ที่บ้านก็ทําได้อยู่ที่ที่ทํางานก็ทําได้อา ศ, า ศ, า ศ, าศาัยศรัทธาอาศัยศรัทธาแล้วความเพียรสักหน่อยหลวงพ่อก็บอกว่าไหนลองฝึกสติสิจิตใจมันฟุ้งซ่านนะักฝึกสติทําความรู้สึกตัวเจรสติให้มีขึ้นในตัวเรา มันเดินไม่ได้มันนั่งได้ไม่นานเนี่ยก็นอนอยู่บนเตียงนอนฝึกสตินอนฝึกจิตเราทํางานทางด้านร่างกายไม่ได้ไม่เป็นไรทํางานทางด้านจิตใจก็ได้ลองฝึกสติให้อยู่กับตัวเราตอนแรกมันไม่มีเหผลว่าจะทําเพื่ออะไรยังไม่ค่อยเข้าใจอยากกระทําแต่ว่ายังไม่ค่อยเข้าใจพอทําไป น, น, นานๆเนี่ยมันได้ผลจิตมันเริ่มสงบอาการที่นอนไม่หลับเนี่ยมันหลับได้ เห็นไหมใครก็ตามที่นอนไม่หลับลองทําดูสิเนี่ยนอนหลับตาลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้ไม่ต้องคิดอะไรนพลิกมือเล่นอีกมือเล่นหลับสบายเลยครั้งแรกทําแบบไม่มั่นใจพอต่อมาทํำไาทํามาเนี่ยมันเริ่มเห็นผลเนี่ยมันเริ่มมีความสุขทําด้วยความเต็มใจงานอะไรก็ตามถ้าเราด้วยความเต็มใจเนี่ยใจมันจะมีความสุข พอเรามาตรสติมาทำกรรมฐานเนี่ยมันเริ่มเห็นผลจิตมันเริ่มสงบมันเริ่มนอนหลับเอ้ยนี่มันได้ผลเนี่ยก็ขยันเลยทำที้ความเต็มใจทำทั้งวั น, นจิตมันก็เริ่มดีขึ้นมาเรื่อยเรอยเนี่ยวันวันหนึน่งเนี่ยผมใช้ชีวิตอยู่เงี้ยพลิกมือบางทีนอนยักคิ้วเล่นขยับตัวไปมาให้มีสติอยู่อย่างนี้ลนะให้อยู่กับตัวเองมันมีรสชาติ เราเคยอ่านหนังสือธรรมะฟังธรรมะเนี่ยยังมีรสชาติดีเมื่อการปฏิบัติตารานะั้นเป็นเพียงแผนที่แต่การลงมือปฏิบัติเนี่ยเป็นการเดินทางแผนที่นี่จะวาดภาพนี่ก็แอย่างไรก็ตามอย่างผมเนี่ยมาจากกรุงเทพบอกว่บุรีรามเป็นอย่างนี้นะสวนนกเป็นอย่างนี้นะนั่นยังไม่ใช่ของจริงแต่พอเราเดินทางมาถึงปั๊บเนี่ยโอ้เลยของจริงได้สัมผัสเลยสัมผัสรู้อันนี้จริงกว่าที่เราไปคิดรู้ รสชาติมันดีขึ้นเนี่ยผมก็ใช้ชีวิตยอยู่นี้เนะี่ยอยู่การปฏิบัตินี้มันก็สบายใจใช่ไหมยิ่งทำไปนานๆนานเนี่ยมันเป็นการศึกษาตัวเราเองเราเคยดูตัวเรเองไหมเราดูตัวเองในกระจกในยังไม่ใช่ของจริงในกระจกเป็นเพียงภาพสะท้อนแค่เป็นเปลือกเท่านั้นการจะดูตัวเรารู้จักตัวเราเนี่ยจะต้องดูลงไปที่กายของเราที่จิตใจของเรา ดูลงไปที่กายที่จิตใจให้เรเนการฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ลำบากเพียงแค่เรามาสังเกตดูกายเราเนี่ยดูที่เราทำอะไรรู้สึกอย่างไรรู้ทันกายอยู่ไหนใจอยู่ด้วยเนี่ยคนที่มีความทุกข์เพราะว่าจิตใจไม่ได้อยู่กับร่างกายปรุงแต่งวัตรพัท์อดีตอนาคตและเราก็มีความทุกข์แต่ถ้าอยู่กับปัจจุบันความทุกข์จะไม่มีทุกข์จะไม่เกิดขึ้น ปัญหาต่างๆก็จะถูกแก้ไขอันนี้สําคัญนะผมเองนี่พอทําอย่างนนานานเนี้ยทําไปนานๆเนี่ยสามวันเจ็ดวันเนี่ยมันเริ่มเริ่มมีปัญญาเริ่มรู้จักตัวเองที่แท้จริงเวลาเรานั่งเนี่ยเราพลิกตัวไปมาเนี่ยให้เรารู้ว่าอ๋อธรรมชาติของร่างกายเนี่ยมันมเนเนีเป็นทุกข์แต่ใจเราไม่ต้องไปทุกข์ด้วยเราปวดที่หัวเขา่าความปวด ขออยู่ที่ขี้เข่าอย่างเดียวอย่าไปอยู่ที่ใจถ้าปวดใจด้วยเนี่ยโอ้โหเป็นทุกข์มากเลยหนูเคยปวดฟันไหมมันปวดที่ฟันหรือปวดที่ใจพยายามให้ปวดอยู่ที่ฟันนะใจเนี่ยรับรู้รับทราบไว้ถ้าปวดใจด้วยนีย่ไม่มีใครช่วยใครนะฝึกนานเนี่ยมันจะเกิดการแยกอ๋อร่างกายก็เป็นอย่างนี้นะเราต้องมีสติช่วยเขาแก้ไข แล้วที่สําคัญคือจิตใจใจเนี่ยสาคัญมากทําไมเราจึงมีความสุขไม่ได้เพราะจิตใจเรามันคิดให้เป็นทุกข์ใช่ไหมเรื่องบางอย่างนี่ยังไม่ทันเกิดขึ้นเลยแต่เราคิดเป็นทุกข์ล่วงหน้าแล้วเคยมีไหมบางทียังไม่ทันเกิดขึ้นเราเป็นทุกข์แล้วแต่พอไปเจอจริงเขาเลยไม่ใช่ที่เราคิดก็ได้มีไหมไปคิดล่วงหน้าเป็นทุกข์ล่วงหน้า เขาจะบอกว่าใจเนี่ยดิ้นรนกวัดแกวงห้ามยากรักษายากมักจะตกไปอยู่ในอารมณ์ใคร่อยากสิ่งนู้นอยากสิ่งนี้ใช่ไหมใจเราเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราฝึกใจแล้วเนี่ยเราจะรู้ทันอารมณ์พวกนี้เราไม่จะเป็นต้องเชื่อความคิดทุกความคิดก็ได้สิ่งที่สําคัญคือความคิดในใจเราสิ่งที่นําความทุกข์มาสู่ใจเราคือความคิดเป็นอย่างนั้นนะม ถ้าไม่คิดเนี่ยทุกข์ไม่เกิดทุกข์เกิดเพราะความคิดแต่ความคิดเราห้ามได้ไหมไม่ได้แต่เราสามารถฝุกสติให้รู้ทันความคิดไม่เชื่อความคิดบ้างก็ได้มีใครไม่เชื่อความคิดตัวเองบ้างไหมความคิดมีสองอย่างคิดด้วยกิเลสอ้ น, นี้เนาะพาเราเป็นทุกข์แล้วมีไหมแล้วก็คิดด้วยสติสองอย่างนี่ต่างกันนะอย้ยานที่เรา ทำงานเนี่ยเราจะคิดด้วยสติคิดวางแผนคิดแก้ปัญหาแต่ถ้าเราขาดสติเนี่ยจะคิดด้วยกิเลสเลยคิดอยากได้อยากดีอยากมีอยา ก, ยากเป็นอยากทำร้ายเบียดเบียนอันนี้กิเลสเขาคิดระวังให้ดีนะเราจะเข้าทางกิเลสนะแล้วแล้วมันก็จะพาเราไปเป็นทุกข์ใช่ไหมอันนี้เรื่องในชีวิตประจำวันเราทั้งนั้นเลย ถ้าเราฝกสติแล้วเนี่ยเราจะรู้ทันจิตใจจะไม่ไหลไปตามความคิดจะสามารถรู้ทันแล้วความคิดก็จะหายไปความคิดกับจิตใจเนี่ยเดียวกันไหมดูดีๆนะพิสูจน์ได้ความคิดกับจิตใจอันเดียวกันหรือเปล่าจิตใจเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาไม่ได้คิดอะไรอยู่ก่อนนะแต่ความคิดเนี่ยค่อยๆจอดมาพาเราไปรัก พาเราไปโกรธบางทีก็ทอ้อแท้บางทีก็ฟุ้งซ่านบางทีก็สงสัยไอ้ น, นี่มันมีอยู่ก่อนหรือเปล่าอารมณ์พวกเนี้ยใจเราเนี่ยมันว่างอยู่ก่อนไอ้ส่วนความคิดพวกเนี้ยมันค่อยคจอมาเรารู้ไหมว่ามันจอนมาเมื่อไหร่เรารู้ต่อเมื่อเราพูดไปแล้วทำไปแล้วแล้วมันเสียใจยว่าโอ้เราไม่น่ายมันทาไปแล้วพูดไปแล้วเนี่ยมันแก้ไขา ย, ยาก ใช่เราไม่น่าพูดกับเขาอย่างนี้เลยเราไม่น่าทำอย่างงี้เลยแล้วมานั่งเสียใจทีหลังบางทีเสียใจทั้งชีวิตเลยแต่ถ้าเราฝึกสติเอาไว้เนี่ยสติจะเป็นตัวสกัดกั้นไม่ให้เราทำตามความคิดจิตมันจะบริสุทธิ์เลยจิตบริสุทธิ์ได้ก็เพราะว่าไม่ถูกความคิดลลงแต่งนี่คือสภาพของความสดใสของจิตไม่มัวหมองที่เรานั่งอยู่เนี่ย ตอนมาน้าใหม่ๆนี่เราห่วงไหมแล้วความห่วงเนี่ยเขาคือใครแขกเพิ่งจรนมาแล้วเราก็ต้อนรับแขกอย่างดีให้ข้าวให้น้านเขากินแขกก็ติดใจสิใช่เราเคยเป็นเจ้าของบ้านแบบไหนเวลาแขกมาเราก็อ๋อเลี้ยงดูปูเสือบางทีแขกขออนอนค้างไม่อยากกลับไป อ, อีกแล้วเพราะเราต้อนรับแขกแต่ถ้าเรารู้ทันแขกเนี่ยแขกอยู่ไม่ได้ อันนี้ผู้ตื่นตจิตใจนะเวลาความโกรธมาหาเราเนี่ยโอ้โหเราไปโกรธตามเขาเรียกเราไปต้อนรับแขกโกรธตามเนี่ยตอนนี้ต่อไปความโกรธมันก็มาเรื่อยๆใช่ไหมแต่ถ้าเราเกิดความโกรธครั้งหนึง่งเราไม่ทำตามความโกรธไม่ต้อนรับแขกต่อมาในแขกเขาก็ไม่อยากจะมานะใจเราก็เหมือนกันเนี่ยถ้ามิสติควบคุมเอาไว้เนี่ยอารมณ์ต่างๆเนี่ยก็จะเข้าครอบงำไม่ได้ จิตเปลี่ยนเสมือนแก้วที่มันว่างๆความคิดเปลี่ยนเสมือนน้ำที่ใส่ไปในแก้วถ้าความคิดดีน้ำมันก็สีหนึ่งถ้าความคิดไม่ดีน้ำมันก็สีหนึ่งสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั้นคือน้ำหรือแก้วแก้วไม่เปลี่ยนนะเคยเอาน้ำใส่แก้วไหมเอาน้ำสีขาวใส แก้วก็ยังเป็นขาวเอาน้ำสีแดงใส่แก้วก็ยังเป็นสีขาวแก้วเป็ีนส่นจิตน้ำเป็นส่วนหนึ่งอารมณ์ด้วยความคิดใช่ไหมถ้าเราฝึกจิตดีแล้วเนี่ยแม้จะอารมณ์อะไรมาปรุงแต่งก็ตามจิตก็จะดีเหมือนเดิมจิตจะดีเหมือนเดิมไอ้ที่เปลี่ยนคือความคิดเราเคยดูทีวีไหมทีวีนี่เรามันมีกี่ช่องที่เราเปลี่ยนช่องนี้มีตลก โอ้ไม่ชอบชอบดูข่าวเปลี่ยนไปช่องโอ้ข่าวก็ไม่สนุกดูละครดีกว่าเราไม่ชอบช่องไหนเราก็เปลี่ยนเปี่ยนเปลี่ยนเปี่ น, ปนไปหลายช่องทีวีมันเปลี่ยนไหมทีวีก็ยังเป็นทีวีเหมือนเดิมที่เปลี่ยนคือเรื่องราวในทีวีใจเราก็เหมือนกันถ้าเรามิสติคอยควบคุมเอาไว้ไม่ทําตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นแต่ไม่ห้ามอารมณ์ เกิดอารมณ์รักขึ้นมาเนี่ยเรารู้อ๋อนี่เกิดความรักเกิดขึ้นแล้วนะเราไม่ทำตามบ้างก็ได้รับรู้เอาไว้ใช่ไมจิตใจเราก็ไม่มัวหมองทุกอารมณ์ถ้ามีสติคอยรู้ทันเนี่ยใจเราจะไม่มัวหมองเลยแล้วมันจะมีความสุขสุขแบบสงบเย็นฝึกมีสติรู้ทันอารมณ์จิตมันก็เป็นปกติอารมณ์ผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปเราเคยโกรธทั้งวันหมมันไม่ทั้งวันหรอก เราเคยรักทั้งวันไหมเราเคยดีใจทั้งวันมหมเอาโรบเนยมาแล้วก็ผ่านอย่าไปเชื่อปล่อยปันผ่านไปทั้งว่ า, าแล้วจิตเราเนี่ยมันก็จะมีสติมันจะคิดในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์อย่างนี้แหละจิตมันจะผ่องใสเป็นความสุขที่ไม่ต้องสแสวงหาเพียงแต่เอาความทุกข์ในใจออกซะเอาความวิตกกงังวลเอาความเศร้าหมองออกซะแล้วใจมันก็จะมีความสุขเองเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยใจมันสบาย สถานการณ์บางอย่างบที่เราเลือกไม่ได้เราเลือกได้ไหมสถานการณ์บางอย่างเราต้องไปเชิญหน้ากับสิ่งที่เราเลือกไม่ได้แต่เราสามารถเลือกจิตใจได้ว่าจะเผชิญกับสถานการณ์นั้นจิตใจแบบไหนจะเกิดความทุกข์เข้าไปรับอารมณ์หรือเปล่าหรือเกิดสติเข้าไปรับอารมณ์เนี่ยเนี่ยอันนี้คือปัญญานะผมเองเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยร่างกายพิการเนี่ยดูแล้วมันมันเป็นคนที่โชคร้ายมากแต่ว่าเราเอาความพิการเนี่ย มาปฏิบัติธรรมใช้ชีวิตปัจจุบันอยู่การปฏิบัติธรรมไม่ได้อยู่ที่วัดอยู่กับการกินการนอนการขับถ่ายเนี่ยอย่างมีสติเนี่ยมันเปลี่ยนโชคลายเป็นโชคดีได้คืออะไรคือรู้จักตัวเองโชคดีที่ค้นพบตัวเองพอรู้จักตัวเราเนี่ยใจยมันก็สบายเราสามารถเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์เพราะการปฏิบัติธรรมอะไรก็ตามที่เราทำได้ยากเนี่ย ทำได้แล้วเนี่ยมันจะมีความสุขพวกเราเคยไหมงานที่ลำบากมากแต่พอทำเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรไมันมีความสุขยิ่งลำบากเท่าไหร่เนี่ยถ้าเราผ่านอุปสรรคนั้นไปได้เนี่ยโอโ้โหมันจะมีความสุขเป็นรางวัลยิ่งปฏิบัติทําเนี่ยฝืนจิตฝืนใจตัวเองเถ้าฝืนได้เมื่อไหร่แล้วก็มันจะมีความสุขเนี่ยลองพิสูจน์ดูจะเห็นคุณค่าของตัวเรา คนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยชีวิตจะมีคุณค่าอันที่จริงเนี่ยผมน่าจะตายเสียหน่อในสระไวน้ำน่าจะตายที่สระไวน้าเพราะความประมาทแต่ต่อมาเนี่ยเรารอดชีวิตมาได้เนี่ยโอ้โหนี่มันเป็นกำไรชีวิตนะเป็นกำไรชีวิตทุกวันเนี่ยผมใช้ชีวิตแบบกำไรชีวิตโดยการปฏิบัติธรรมอันนี้คือกาไรส่วนหนึ่ง แล้วก็มันมีดอกผลจากกําไรชีวิตคือการเอามาเป็นตัวอย่างมาเป็นอุปกรณ์ของพระธรรมนี่อันนี้คือดอกผลของกําไรชีวิตทําในส่วนเนี้สบายใจทําแบบไม่ต้องการอะไรไม่เอาอะไรทำเพื่อจะทําใจมันก็สบายใช่ไหมเพราะฉะนั้นญาติธรรมข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกท่านสิ่งที่พู้เราได้ทำเนี่ยคืองานที่จะต้องทำเนี่ย เป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะเป็นสายงานเดียวกับพระพุทธเจ้าคืองานอันเสริฐพระพุทธเจ้านี่ถือว่าเป็นสัญญาแพทย์แพทย์ผ่าตัดทางด้านจิตวิญญาณเคยได้ยินคำนี้ไหมเป็นแพทย์ผ่าตัดทางด้านจิตวิญญาณเป็นแพทย์มือเปล่าไม่มีเครื่องมือ แต่อาศัยธรรมโอสถเป็นเครื่องมือสามารถผ่าตัดคนที่มีความเห็นผิดทางน่านจิตใจให้เห็นถูกต้องได้ใครเคยฟังเรื่ององคุลีมานมาั้งองคุลิมานเนี่ยมีความเห็นผิดทางน้านจิตใจนะฆ่าคนกระทั่งเกิดจะฆ่าแม่ของตนเองมีความเห็นผิดพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถชี้บอก เราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดเราหยุดทําชั่วแล้วท่านยังไม่หยุดทําชั่ว mm hmm. องค์ุริมานเปลี่ยนจิตใจได้เลยโจนกรทั้งหันมาปฏิบัติธรรมมาบวชกลายเป็นพระอระหันต์เป็นบุคคลที่ดีที่สุดคือพระอระหันต์ผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์คนที่เลวที่สุดคือองคุริมานแต่ที่ดีสุดคือพระอระหันต์ในคราบขององคุริมันใช่ไหมพาตัดจิตใจคนทพระ น, นจิตวิญญาณ จากคนเห็นผิดมาเห็นถูกต้องลาคนหนึ่งก็คือนางปตาจาราใครเคยได้ยินเรื่องนางปตาจาราบ้างนี่เป็นเรื่องธรรมดานะที่เม่เคยได้ยิเพราะเรื่องนี้มีในพุทธการถ้าเล่าออกมาก็ยาวคือเป็นบุคคลที่ทุกข์ที่สุดเลยเป็นผู้หญิงแต่งงานกับสามีโดยการหนีพากันไปในระหว่างอยู่ด้วยกันกับสามีนี่จะคลอดลูกคนแรก พากลับมาจะมาคลอดที่บ้านแต่ว่าอยู่กลางทางนี่คลอดที่กลางทางเลยสามีมาตามเนี่ยจะพากลับเกิดฝนตกหนักสามีไปหาที่มุงบังถูกงู ก, กัดตายอุ้มลูกคนหนึ่งเนี่ยกลับบ้านแล้วคลอดลูกถึงสองครั้งลูกตายทั้งสองคนเลยคนแรกคือถูกเหยียวโชวไปคนที่สองคือถูกน้ำพัดพาพ สามีก็ตายกลับบ้านนี่ไปเจอบ้านนี่ถูกไฟไหม้ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่ชายตายหมดเลยกลายเป็นคนบ้าไปเลยเขาเรียกนางประตาจาจราคนบ้าเป็นทุกข์ที่สุดเลยเสียลูกสองคนเสียสามีเสียพ่อเสียแม่เสียพี่ชายเสียบ้านกลายเป็นคนบ้ากระเสื้อกระเซิ้ไปหาพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าเธอจงมีสติเธอ เกิดสตินึกขึ้นได้ว่าเราเป็นอะไรแล้วก็ปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมเป็นพระอราหันต์ในข้าของพิสุนีจากคนที่เป็นทุกข์ที่สุดพระรูปเจ้าสามารถพาทันตนจิตวิญญาณให้กลายเนคนที่เป็นสุขที่สุดก็ได้อาศัยธรรมโอสถเป็นเครื่องมืออย่างพวกเรานี่รักษาทันต์ร่างกายเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าเราสามารถาารักษาหน้จิตใจด้วยเนี่ยจะดีมาก พนักงานที่เราทำเนี่ยเป็นงานอันประเสริฐช่วยเหลือคนเนี่ยจากความทุกข์ให้เป็นคนที่ไม่ทุกข์จากทุกข์มากเป็นทุกข์น้อยถือว่าเป็นประโยชน์มากเพราะนั้นเวลาเราจะมาทำงานเนี่ยให้เราคิดใหม่ถือว่าเรามาทำบุญเป็นไปได้ไหมในโงรงพยาบาลนี่เป็นโรงบุญนะ <c oughs> เรามาทางานถือว่าเรามาทำบุญแค่คิดมันก็ได้บุญแล้ว ในระหว่างเดินทางมาเนี่ยโอ้โหเราได้บุญตลอดทางเลาคิดว่าเรามาทําบุญถึงโรงพยาบาลอ๋อนี่มันโรงทําบุญมีแต่เรื่องบุญนั้งนั้นเลยถัว่าไปงานระเสริฐเนี่ยเราไม่ต้องไปคิดว่าอ๋อเราเนี่ไม่มีโอกาสไปปฏิบททัติธรรมไม่มีโอกาสทําบุญไม่เป็นไรโรงพยาบาลนั่นแหละคือโรงทําบุญทําด้วยความเต็มใจเห็นประโยชน์ของงานแล้วก็ทํำทุกความเมตตามันก็เป็นบุญอยู่แล้วงานก็ได้บุญก็ได้ แล้วลองทำดูถอะเราจะมีความสุขแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราต้องศึกษาธรรมะนะต้องสนใจธรรมะเพื่ออะไรเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการทาบุญศึกษาธรรมะเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการทาบุญเพราะคนที่เรารู้จักญาติเราก็ตามถ้าเ้ามีปัญหาชีวิตเนี่ยเราจะได้มีธรรมะโอสถเขาช่วยเขาได้ เราเคยเห็นใครบางคนที่น่าองสารไหมเคยไหมเราอยากช่วยเขาไหมบางทีอยากช่วยไม่ช่วยอย่างไรนะแต่ถ้าเราศึกษาธรามะเนี่ยเราจะช่วยเขาได้จะช่วยเฉพาะร่างกายอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้หรอกคนเราเนี่ยทุกหนักท่อนัานจิตใจต้องช่วยร่างกายด้วยแล้วก็ช่วยใจด้วยสมมติว่าเราไปเจอคนไข้ที่ต้องพิการตลอดชีวิตอย่างเงี้ยเรารักษาเขาไม่ได้ หรือช่วยเหลือเขาไม่ได้เนี่ยเราจะทําอย่างไรเราจะพูดกับเขาอย่างไรจะให้กําลังใจเขาอย่างไรอย่างเช่นคนไข่าบางคนเนี่ยต้องตัดอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยโอ้โหเนี่ยร่างกายเนี่ยเรารักที่สุดเลยเขาก็รักที่สุดเลยแต่เขาต้องเสียอวัยวะไปส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะทำอย่างไรที่จะบอกเขาว่าคุณต้องพิการตลอดชีวิตเนี่ยเรากล้าบอกไหมแต่เราต้องบอกนะ แต่ว่าแล้วบอกว่าคุณต้องพิการตลอดชีวิตแต่ไม่เป็นไรคุณสามารถใช้ชีวิตที่พิการได้โดยที่ไม่ต้องเป็นทุกข์แล้วก็หาความสุขได้โดยการอย่างนี้แนะนำเห็นไหมเมื่อเขามีปัญหาบอกทุกปัญหาเขาแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาแต่ลตัวเขาหมดหวังแล้วพอฟังวิธีการแก้ปัญหาเขาจะมีความหวังเหมือนเดิมเห็นไหมเราช่วยเขาได้เราก็ได้บุญเขาก็ไม่มีความทุกข์ ไม่ใช่เฉพาะคนไข้ที่โรงพยาบาลบุคคลทั่วไปญาติพี่น้องเราคุณพ่อคุณแม่เราสามารถปลอบใจท่านได้มีวิธีบอกท่านได้มีประโยชน์ไม่ธรรมะอีประการหนึง่งถ้าเราไปเจอคนไข้ที่รักษาไม่หายและก็จะต้องตายด้วยโรคนั้นจะเป็นโรคมะเร็งหรือเชื่อเอ b อบก็ตามเราจำเป็นต้องบอกเราจะบอกเขาอย่างไรว่าคุณจะต้อง ตายในไม่ช้านี้เรากล้าบอกไหมแต่ต้องบอกด้วยนะถ้าเราไม่บอกเขาเนี่ยเขาจะมีแต่ความหวังว่าเราต้องหายเราต้องอยู่ตรงนี้แล้วเขาไม่มีโอกาสที่จะเตรียมตัวชีวิตที่จะอยู่ในพบหน้าเลยต้องบอกเขาเขาได้เตรียมตัวเปลี่ยนชีวิตใหม่เพื่อเดินทางสายใหม่ให้เขาเตรียมตัวจะบอกเขาอย่างไรแต่ถ้าเราศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะแล้วเนี่ยเราจะบอกเขาได้ คุณต้องเสียชีวิตนะภายในนี้แต่ไม่เป็นไรเรายังสามารถแนะนำวิธีการที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในช่วงสุดท้ายของชีวิตกระทั่งลมหายใจสุดท้ายสามารถช่วยเขาได้แนะนำเขาได้คนที่จะต้องตายเพราะรักษาไม่หายเนี่ยจิตใจจะอ้างวางมากสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราสามารถเป็นเพื่อนเขาได้ให้กาลังใจเขาได้ไม่เป็นไร แนะนำเขาลองศึกษาธรรมะสิลองปฏิบัติธรรมะ mm hmm. เขายังมีประโยชน์มากในช่วงสุดท้ายของชีวิตเราสามารถช่วยก็ได้แทนที่เขาจะเศร้าหมองแล้วก็ตายด้วยจิตที่เศร้าหมองตกนรกแต่ทำให้เขามีกำลังใจจิตใจแช่มชื่นตายอย่างมีคุณภาพตายอย่างมีสติตายอย่างไม่หวั่นไหวเนี่ยโอ้โหนี่เขาสู่สุคติเลยนะเราชี้พบคูไม่กับเขาเลยเราจะได้บุญขนาดไหน นี่คืออุปกรณ์เครื่องมือที่จะช่วยคนไข้แลวก็บุคคลอื่นที่เราสามารถช่วยได้ไม่ต้องเกินการคนใกล้ตัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยท่านก็นเตียนตัวอยู่แล้วเราต้องมีวิธีการไปแนะนำท่านต้องมีธรรมะเอาไว้ช่วยในส่วนนี้ธรรมะนี่ไม่ได้ช่วยเฉพาะคนอื่นนะช่วยตัวเราด้วยนะบางคนช่วยคนอื่นไม่ได้นี่ใจเราก็เป็นทุกข์ด้วย คุณหมอคุณพยาบาลช่วยคนไข้ไม่หายแต่คุณหมอคุณพยาบาลจะต้องทานยานอนหลับด้วยเนี่ยโอ้โหเสียหายมากเลยคุณหมอต้องทานยานอนหลับเนี่ยเหมือนอย่างกับพระในวัดนี่โอ้โหไปอยู่โรงพยาบาลโลกประสานอนเหลืองดูแล้วเนี่ยโอ้มันเสียสถาบันช่วยเขาแล้วต้องช่วยใจเราได้เรารักษาเขาแล้วเนี่ยต้องรักษาใจเราด้วยแล้วที่สำคัญก็คือถ้าเรา มีธรรมะปฏิบัติธรรมไปต่อาการทํางานเนี่ยเราจะเป็นตัวอย่างที่ดีในสังคมสังคมตัวนี้กําลังแห้งแล้งธรรมะมากแล้วก็หาตัวอย่างไม่ได้เพรานเราเนี่ยถืว่าเป็นปัญญาชนลองดําเนินชีวิตด้วยการปฏิบัติธรรมเลยอยู่ให้เขาเห็นเราจะมีประโยชน์นะเป็นคนที่มีคุณค่าผมเองเนี่ตอนสมัยที่อยู่จังหวัดนครสวรรค์บ้านเดิมอยู่นครสวรรค์อยู่อําเภอรเพระยาคลี ตอนที่พี่การใหม่ๆเนี่ยผมไม่ได้ไปไหนเลยสิบหกปีไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนเลยจะไปต่อเมื่อไปโรงพยาบาลโรงอื่นนี้ไม่ได้ไปอยู่ในบ้านวันหนึ่งมันมีโรคภัยกราเจ็บเกิดขึ้นในตัวเรามีอาการปวดท้องท้องอืดจกเสียดแน่นซึ่งเป็นโรคประจาตัวมานานรักษาอย่างไรก็ไม่หายเพราะแล้วก็ไม่เคยไปหาหมอนะ ก็มีวันหนึ่งคุณพ่อก็พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้านห่างจากบ้านเจดกิโลส่วนทางที่ไปนั่นเป็นทางลูกรังล้วนๆเลยฝุ่นตลบไม่ต้องไปทำก็ได้แล้วไฮไลท์ผมแดงปวดท้องคุณพ่อบอกไปหาหมอโอ้โหเรานี่ไม่เคยไปไหนมานานจะได้ไปหาหมอนี่โอ้โหดีใจนอนไม่หลับตั้งคืนพวนี้นเตรียมตัวจะออกจากบ้านไปหาหมอที่โรงพยาบาลเจดกิโลนะ ออกจาก บ, บ้านครั้งแรกคุณพ่อเหมารถเพราะที่นั้นไม่มีรถไปจําทางแล้วรถที่เหมาเนี่ยเหมาไปนี่นานๆจะมีรถผ่านทีนึงบ้านนู้นก็เรียกบ้นนี้ก็เรียกเรียกใครจอดรอเขาจะอาศัยไปด้วยเหมาพขานะแต่อาให้อุ่าอาศัยไปด้วยก็ไปด้วยกันโรงพยาบาลไปถึงโรงพยาบาลโอ้โหมีคนไข้มากมายมีญาติคนไข้มามากมาย ไปถึงเจ้าที่ก็ต้อนรับอย่างดีเลยเอาเปレนอนอย่างดีนะนั่งได้เป็นนานก็จับนอนแล้วเข็นไปเข็นไปตรงนี้ก็าถามเป็นอะไรเล่าจดจดเสร็จอะขวางขวางก็าเขาเข็นไปอีกด้านหนึ่งเข็นสักพักโอ้เมันขวางก็เ ข, เขนโอ้โหสามที่ดีที่คือเข็นไปตรงไหนก็ขวางก็ตรงนั้นในระหว่างที่รอคุณหมอเนี่ยจะมีญาติคนไข้เนี่ยมาคุยเป็นอะไรเล่า ให้กําลังใจแล้วก็บอกแพทย์ทางเลือกเขาด้วยนะไปรักษาหมอโน่นสิโอโเป็นหมอเทวดารักษาหมอนี่สิมีการลดน้ํามนต์พ่นน้ําหมากคากก็เลชแพทย์ทางเลือกเยอะแย ะ, ยะเลยวันที่เขาพัจจุตตัวยาแนะนําอบอุ่นมากด้วยญาติคนไข้ที่ก็มาเยี่ยมผมเนียคนนั้นก็แนะนําคนนี้ก็แนะนําต่างๆพูดคุยอยู่ตั้งเกือบชั่วโมง คุณพยาบาลก็เรียกเข้าไปหาหมอมาถึงก็คุยกับพยาบาลก็คุยกับสน้สาคำแล้วก็หยิบเคตมาดูแล้วก็ใช้สามนิ้วเนี่ยทิ่งไว้ที่ท้องผมจึ๊บึ๊ึ๊สามนิ้วสามครั้งแล้วก็จดยาไม่ได้พูดกับผมสักคำไอ้เราก็เออนึกว่าหมอจะถามจะได้เล่าระบายอะไรไปบ่หลังจากที่ออยาคนคไข้ถามเราแล้ว เราก็ได้ระ บ, บายตอนนี้หมอถามคงจะต้องมีน้ำหนักมากกว่าแต่โอโหผิดหวังเลยคุณหมอไม่พูดอะไรเลยแล้วก็หมอไม่ยิ้มเลยนะหน้านิว่วหัวคิ้วผูกโบแต่พยาบาลก็พอยิ้มบ้างอ่ะเดี๋ยวไปรอรับยานะรออีกสักครึ่งชงั่วโมงเดี๋ยวยามานะคุณพยาบาลก็บอกว่าคามิเนติบเมก่อนควรละยี่สิบาทอันนี้ยาใครเครียดไอ้คามิเนตินี้พอจะรับได้ อยา ค, คลายเครียดนี่ผมบอกว่าให้คุณหมอทานแทนผมได้ไหมเพราะคุณหมอนี่เครียกกับผมนะบอกพยาบาลนะไม่กล้าบอกคุณหมอล้วเดี๋ยวโดนกัดอะไรคุณพยาบาลให้คุณหมอทานได้ไหมคุณแววว่าไงวะคุณหมอก็ทานอยู่แล้ว <c oughs> เขาตึ้งในหม้อเพลเรา เ, เออเราเข้าใจโอ้นี่หมอนี่เครียกกับเราเนอะอก็อาญารับยากลับไปที่บ้านยา ค, คลายเครียดไม่ทานแต่ทานแตยาคาเมเนติ ค่าเหมารถนี่ยสองร้อยบาทเสียค่ายาห้าสิบบาทโอ้เหมารถไปต้องสองร้อยบาทเสีหสิบบาทประทับใจอยากจะไปโรงพยาบาลอีกแต่ไม่อยากเข้าไปในโรงพยาบาลอยากอยู่รอบรอบนอกเพราะญาติคนไข้เนี่ยให้กำลังใจเราคุณหมอไม่ให้กำลังใจเลยจ่ายยาแล้วก็ไม่หันมาพูดเลยแต่พอตอนนอนคืนนั้นก็เลยคิดหรือว่าคุณหมอนี่ให้ปิศนาทเรา สามนะ น, นิ้วนิดมันไตรลักษณ์นะอนิจจังทุกขังอนัตตาอ น, นิจจังนี่มันไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงทุกขังนี่คือเราเกิดมาเป็นทุกข์อนัตตาเนี่ยคือการบังคับบัญชาไม่ได้จิ้มลงมาที่ตัวเราสามติจึ ก, จ ก, จกอเนี่ตัวเรานี่คือมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันบังคับบัญชาไม่ใช่อย่าไปยึดมั่นถึงมั่นนะเราจะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์โอ้ได้ไปริศนาธรรม เห็นว่าโอเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยมีสโลกแกนเก่าๆว่าหน้างอรอนานบริการไม่ดีแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยผมไปโรงพยาบาลเป็นบริการดีมีวินัยใจร่าเริงทุกครั้งที่คุณหมอคุณยาบาลเจอกับผมเอาละก็ว่าเห็นว่าสมควรแก่เวลานะก็รู้สึกดีมากที่วันนี้ได้มีโอกาสมาทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ให้ประรรมก็ นำเอาสิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์สาหรับพวกเราส่วนไหนที่เป็นประโยชน์ก็เอาไปใช้ส่วนไหนไม่เป็นประโยชน์ก็ทรงคืนไม่จะเป็นต้องเชื่อรับฟังไว้แล้วก็ไปคิดพิจารณาดูสองคนเก่วเวลาสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้กับขา้าราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกท่านจงมีความเจริญในธรรมมีความผาสุขมีปัญญา รักษาตนให้พ้นจากความทุกข์และก็มีความสุขด้วยกันทุกท่านทุกคนเถอ